บุ๊กทูยี่สิบการเรียนภาษาต่างชาติ Be belajar bahasa asing คุณเรียนภาษาสเปนมาจากไหนคะ Dimana Anda belajar bahasa Spanyol? คุณพูดภาษาโปรตุเกสได้ด้วยไหมคะคุณ a d a p a t berbahasa p o r t u g i s คะคะคุณกสไะูดก้พูดภาษาตได้ด้วยคาได้ด้วยคะะคุณพูดภาษา ดิฉันคิดว่าคุณพูดได้ดีมากฉันเ g u a ว่า bahasa d e n g a า s a n g a ด b a ากภาษาค่อนข้างคล้ายกันมากภาษาสัมพันธ์กั r i p s a า u sama าย i n น y a ดิฉันเข้าใจภาษามันได้ดี s ั y a ได้ a t mengerti anda dengan baik เขีนมัแต่การพูดและการเขียนมันยาก t a ่ i b e r b ด c a r a dan menulis m e r แต่การพูดและการเขียนันยเีนัน่พูดและเขียนันยต่การพูดและการเขียนมันกพูดและการเขียนมากดและาีมันยากแต่กามันากรพูเขามันูนีะตข ทุกครัง้งโปรดช่วยแก้ให้ดิฉันด้วยนะคะ Silakan ah h Anda memperbaiki perkataan saya. การออกเสียงของคุณดีมาก Cara pengucapan Anda sangat baik. คุณมีสำเนียงนิดหน่อย Anda memiliki sedikit aksen. คนฟังสามารถรู้ว่าคุณมาจากไหน orang akan mengetahui dari mana Anda berasal ภาษาแม่ของคุณคือภาษาอะไรคะ apa bahasa ibu Anda คุณเรียนหลักสูตรภาษาหรือเปล่าคะ Anda mengikuti kursus bahasa คุณใช้นังสือเรียนเล่มไหนคะด a n cara a p า anda belajar b a h าษ า, า, า, าตอนนี้ดิฉันจำชื่อไม่ได้ค่สะส a a t นี้ะะปปานานน s ั y a tidak t a ่ u a p ั n a m a n y ยดิฉันนึกชื่อหนังสือไม่ออกค่ะ Saya tidak ingat judulnya? ดิฉันลืมไปแล้วค่ะสายลูปะ